การปฏิบัติธรรมนะไม่ได้ยากอะไรหรอกส่วนมากเราชอบไปคิดเอาว่าการปฏิบัติธรรมจะต้องทำอะไรที่มันเหนือธรรมดาเราแทนที่เราจะรู้สึกว่าธรรมะเป็นเรื่องธรรมดาธรรมาเราพยายามทำให้มันเหนือธรรมดาไปเรื่อยๆธรรมะไม่ได้อยู่ที่ไหนไกลธรรมะอยู่กับตัวเราเองไม่ได้อยู่ที่หลวงพ่อนะไม่ได้อยู่ที่วัดธรรมะอยู่ที่กายกใจของเรานี่เองกายเราก็เรียกว่ารูปธรรม จิตใจเราก็เรียกนา ม, มาทำธรรมะอยู่ที่กายที่ใจนี่เองคอยเรียนรู้กายเรียนรู้ใจนะค่อยสังเกตไปร่างกายนี้เปลี่ยนแปลงร่างกายนี้มีแต่ความทุกข์บีบคั้นทั้งวั น, นร่างกายเป็นก้อนธาตุเป็นวัตถุจิตใจก็เป็นแต่ของไม่เที่ยงใไปดูไปเรื่อยร่างกายเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุร่างกายมีความทุกข์บิบคันอย่างเรานั่งให้สบายนะนั่งสบายๆนั่งสักพักหนึ่งมันปวดมันเมื่อยนละ ความทุกข์ตามมาแล้วปวดเมื่อยเราก็ต้องขยับเบปลีป่ยนิริยาบถไปเรี่ยนอิริยาบถไปแป๊บเดียวความปวดความเมื่อยตามมาอีกแล้วเราก็ต้องขยับตัวหนีความปวดความเมือ่อยอีกเนี่ยถ้าเรามีสติรู้กายเราจะเห็นเลยกายนี้ทุกตลอดวันนะเดี๋ยวปวดเดี๋ยวเมื่อยเดี๋ยวหิวเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อ น, นกายนี้มีแต่ความทุกข์บีบคั้นทั้งวันเนะนี่ยพระพุทธเจ้าสอนนะกายนี้ใจนี้เป็นทุกข์คนในโลกไม่เห็นหรอก อย่างร่างกายนี้เราก็จะรู้สึกว่าร่างกายของเราทุกบ้างสุกบ้างโยมรู้สึกไหมร่างกายเนี่ยทุกบ้างสุกบ้างจิตใจของเราก็เหมือนกันทุกบ้างสุขบ้างเรารู้สึกอย่างนี้ความรู้สึกอันนี้ไม่ตรงกับที่พระพุทธเจ้าสอนดอกพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนว่าทุกบ้างสุขบ้างท่านสอนว่าขันห้าเป็นทุกเราเห็นไม่ตรงกับที่ท่านสอนนั้นเราปล่อยวางไม่ได้พอเราเห็นว่ามันทุกบ้างสุกบ้างเราก็จะดิ้นรนหาความสุขดิ้นรนหนีความทุกไปเรื่อยๆ มีแต่จะดิ้นดิ้นดิ้นไปเรื่อยๆแต่ถ้าเมื่อไหร่เรามีปัญญานะเห็นกายนี้ใจนี้เป็นทุกข์ล้วนๆเนี่ยถึงจะยอมปล่อยวางถ้ายังมีทางเลือกเนี่ยมันจะเลือกสุขจะเลือกสุขจะหนีทุกข์ไปเรื่อยๆถ้พี่แอ๊ดเนี่ยจองไว้นี่มานั่งได้ค่อยๆขึ้นมาข้างหน้าว่างข้างหลังแน่นล้อนออกไปแล้วนี่หลวงพ่อกาลังจะต้องย้ายแล้วนะที่นี่ไม่พอให้โยมมาฟัง กำลังย้ายจะย้ายไปอยู่ศรีราชาใกล้ๆสวนเสือเดีย๋ยวสอนที่นี่อีกสามวันสามวันแล้วก็ปิดล ะ, ะตอนนี้ทางโน้นยังสร้างไม่เสร็จกำลังรีบสร้างทั้งวันทั้งคื น, นรีบสร้างหลายคนในห้องนี้ก็ไปช่วยกันสร้างนะคุณแตมมคุณดาวอะไรคุณเอปฏิเวทไปแล้ว ยิบรู้สึกไหมใจมันไหลไปมันเผลอไปเน่ยคอยรู้ลงปัจจุบันไปเรื่อยๆโยมมาเยอะนะหลวงพ่อก็ไม่รู้จะสอนอยังไงเคยสอนได้ที่ลำกลืนอนะ่ะมันต้องสอนเป็นคนๆพอามาเยอะต้องช่วยตัวเองให้เยอะๆหน่อยพยายามฟังฟังหลวงพ่อพูดเนี่ยบางคนจะรู้สึกว่างงงงฟังยากที่ฟังยากเพราะหลวงพ่อสอนไม่เหมือนชาวบ้านเขาไม่ได้สอนว่าท ำ, อ, ทำอย่างน้นทําอย่างงี้ จะสอนให้รู้ทันกายรู้ทันใจเป็นเรื่องที่เราไม่คุ้นเคยแท้จริงไม่ได้ยากอะไรเด็กเล็กๆก็รู้นะเคยถามเด็กรู้จักจิจฉาน้องไหมอะไรเงี้ยเด็กเขารู้จักนะรู้จัรู้สึกไหมแต่ละวันรักแม่ไม่เท่ากันเด็กก็รู้สึกในความจริงก็คือความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นในใจเราเราค่อยรู้ไปเรื่อยๆแค่นี้เองถึงวันหนึ่งก็จะเห็นเลยจิตใจนี้มันม่เที่ยงเปลี่ยนตลอดเวลา การปฏิบัติมีจริงจริงมีนิดเดียวนะนิดเดียวบางคนแล้วมาเสียงกันนะจะเริ่มยังไงมีสายโน้นสายนี้นะยังมีสายสายที่ยังไม่ใช่ของแท้หรอกเพราะจริงจริงนะไม่ว่าจะฝึกวิธีใดถ้าทําถูกต้องสติอย่างเดียวกันจะเกิดขึ้นสัมมาสมาธิอย่างเดียวกันก็เกิดขึ้นปัญญาเดียวกันจะเกิดขึ้นนะเช่นเราหัดดูท้องของยุบไป เรเห็นอะไรู้ทันใจของเราเดี๋ยวก็หนีไปคิดเดี๋ยวก็หนีไปเพ่งอะไรเงี้ยพอรู้ทันนะสติอย่างเดียวกันก็เกิดขึ้นมาอีกคนนึงหัดพุทโธพุทโธใจหนีวิคิดว่ารู้ทันเนะี่ยสติอย่างเดียวกันก็เกิดขึ้นมางั้นทางแต่ละทางแต่ละทางนะไม่ต้องเถียงกันหรอกอันไหนดีกว่าอานะันไหนไม่มีอันไหนดีกว่าอันไหนอนะใครถนัดอันไหนก็ เ, เอาอันนั้นแหละใช้ได้เหมือนเหมือนกันขอให้เป็นกรรมฐานที่เกี่ยวกับกายกับใจก็ใช้ได้เหมือนกันทั้งหมด แล้ตัวสําคัญคือต้องมีสติบางคนก็ต้องมาเถียงนะสายกายสายจิตมีทั้งสายกายสายจิตควาจริงกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยพุทธเจ้าก็สอนมาทั้งหมดนั่นแหละใครถนัดจะเริ่มต้นจากกายก็รู้กายไปใครถนัดรู้เวทนาก็รู้ไปใครถนัดจะดูจิตก็ดูไปถ้าดูถูกต้องดูกายถูกต้องสติก็เกิดดูเวทนาถูกต้องสติก็เกิดดูจิตถูกต้องสติก็เกิดเกิดอย่างเดียวกันนั่นแหละ พาสติตัวจริงเกิดแล้วเลือกไม่ได้แล้วว่าจะรู้กายหรือรู้ใจถ้าสติตัวจริงเกิด น, นะเดี๋ยวก็รู้กายเดี๋ยวก็รู้ใจเขาเรียกว่าเข้าไปถึงธรรมานุปัสสนารู้ทั้งกายรู้ทั้งใจนะเห็นแต่สภาวะธรรมเกิดแล้วก็ดับสภาวะธรรมเกิดแล้วก็ดับเบื้องต้นออกแยกได้นะแยกได้แต่เบื้องปลายแยกไม่ได้แล้วแต่สติจะไประลึกสติรู้กายบ้างรู้ใจบ้างถ้าระลึกรู้กายก็เห็นเออมันเป็นทุกขน์นะ มันไม่ใช่ตัวเราเป็นวัตถุเราเริ่รู้จิตกออ็มันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนไปเรื่อยเรื่อมันไม่ใช่ตัวเราคือมันบังคับไม่ได้เห็นไตรลักษณ์เหมือนกันก็ปล่อยวางออกไปขั้นแรกก็จะปล่อยวางกายก่อนกายเป็นของหยาบปล่อยง่ายะจิตนี่เป็นของละเอียดปล่อยยากหวงแหนพระพุทธเจ้าอย่างสอนนะบอกว่าคนศาสนาอื่นนะเขาสามารถเห็นได้ว่ากายไม่ใช่ตัวเราะแต่เห็นไม่ได้ว่าจิตไม่ใช่ตัวเรา เราะฉนั้นเราคอยรู้ถ้ารู้เข้ามาถึงจิตถึงใจได้ในการปฏิบัติก็สั้นหน่อยถ้ายัางดูจิตดูใจไม่ได้ดูกายไปดูกายไม่ได้ทําสมาธิไว้เรามีแนวตั้งรับหลายตัวทําสมาธิเช่นพุโทพโธวุทโธไปหายใจไปดูท้องพองยุบไปดูแล้วก็คอยสังเกตสภาวะไปเดี๋ยวก็ดูได้ดูกายดูใจได้ไม่มีอะไรยากหรอกยากก็คิดมากนะจริงๆง่าย ถ้าใครจะส่งกันบ้านเชิญหลวงพ่อลงมงเลยวันนี้รี่จะสอนยังไงแล้วเนะเยอะเกินไปเงั้นถ้าใครมาใหม่ๆนะเดี๋ยวเอาซีดีไปฟังนะฟังซีดีฟังแล้วฟังอีกฟังซีดีหลวงพ่อเนี่ยไม่ใช่ฟังเพื่อให้รู้เรื่องหรอกนะเออหรือมานั่งฟังหลวงพ่อพูดเนี่ยไม่ใช่ฟังให้รู้เรื่องหรอกธรรมะไม่ได้เรียนด้วยกันฟังเอาหลวงพ่อพูดเป็นเพื่อนพวกเราท่านเองพูดไปเรื่อยๆ แล้วให้พวกเราคอยสังเกตจิตใจของตัวเองไปอย่างนั่งฟังหลวงพ่อพูดสังเกตไหมเดี๋ยวก็มองหน้าหลวงพ่อหน่อยหนึ่งเดี๋ยวก็ตั้งใจฟังเดี๋ยวก็หนีไปคิดบางทีก็คิดเรื่องที่หลวงพ่อพูดนะบางทีไปคิดเรื่องอื่นใจเราหนีไปหนีมานะให้คอยรู้ไปเรื่อยๆนั่งตรงนี้นั่งเรียนรู้สภาวะไปหลวงพ่อไม่ได้สอนอะไรที่ลึกลับซับซ้อนหรอกสอนให้พวกเราหัดรู้สภาวะเท่านั้นเองโดยเฉพาะสภาวะทางใจ ความสุขเกิดขึ้นมาก็คอยรู้ความทุกข์เกิดมาก็ให้รู้นะความสงสัยฟางลงงงๆรู้ว่างงนี่ใช้ได้แล้วนะรู้ว่าความงงแทรกเข้ามาในใจใช้ได้แล้วคอยดูไปในใจเราเดี๋ยวความรู้สึกตัวนั้นก็แทรกเข้ามาตัวนี้ก็แทรกเข้ามาดูอย่างนี้ดูไปเรื่อยในสุดจะเห็นเลยจิตใจนี่เป็นของไม่เที่ยง he, หรอกเปลี่ยนแปลงตลอดวันนี่ดูเพื่อให้เกิดปัญญารู้ความจริงว่ากายนี้ใจนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่ดูเพื่อให้เที่ยงนะไม่ใช่ดูเพื่อให้สุข ะเราอย่าไปวาดภาพนะว่าพระอราหันต์คือคนที่สามารถฝึกจิตให้สุขถาวอนได้คําว่าถาวรขัดกับคําว่านิจจังคำว่าสุขขัดกับคําว่าทุกนะคําว่าฝึกได้บังคับได้ขัดกับคําว่านัตตาให้เราคอยมีสติไปเรื่อยๆเนี๋ยก็จะเห็นใจรักษณนะมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นนัตตาก็ปล่อยวางพ้นทุกข์เพราะปล่อยวา ง, วางไม่ให้พ้นทุกข์เพราะบังคับได้เดี๋ยวเบรกหน่อย เกิดกันบ้านหน่อยเดี๋ยวจะซึมเกินไปนะต้องกินข้าวเอ้าหมออติส่งกันบ้า น, นอะไรนะเหนื่อแล้วจะ <c oughs> แล้วทำการบ้านบ้างหรือเปล่าจิตข <c oughs> นาดนี้เป็นไงหมออติอตอบถูกใช้ได้ไม่ซึมอย่างเดียวนะประคองไปด้วย น, นะ เอ็ดดี้หัวละหมออนติเอ็ดดี้เป็นไงก็นะตอบถูกให้ได้ยังตั้งใจอยู่นะ้าหนูนะหนูไปดูเอ็ดดี้เลยลืมตัวเองแล้วนะคิดเป็นไงนะหนูก็ดีแล้วดูเพื่อให้เห็นแค่นั้นแหละแค่เห็นว่ามันทํางานทั้งวันทั้งคืนมันไม่เที่ยงปรุงขึ้นมานะ เดี๋ยวก็จับเอาไว้เดี๋ยวก็ปล่อยเดี๋ยวก็จับเดี๋ยวก็ปล่อยดูไปเรื่อยถึงวันหนึ่งมันก็เห็นเองไม่ใช่ตัวเราหรอกทํางานของมันทั้งวันทั้งคืนอะไรนะมีสิแต่ละคนเห็นไม่เหมือนกันหรอกนะอย่างตอนจะแตกหักเนี่ยบางคนเห็นอ น, นิจจังบางคนเห็นทุกข์บางคนเห็นอ น, นัตตานะหลุดพ้นด้วยอ น, นิจจังเ้าเรียกอันนี้มีตาวิโมก เรียนอภิธรรมแล้วนี่ใช่ไหมหลุดพ้นด้วยการเห็นทุกข์เรียกอปานิชิตะวิโมกขยหลุดพ้นด้วยการเห็นอนัตตาเรียกสุญญตาวิโมกขนะเพราะงั้นเห็นอันเดียวนะไตรลักณ์ไม่ใช่ต้องดูทั้งสามันหรอกมันจะเด่นอันเดียวแล้วก็วางตรงนั้นเลยนะอย่างบางคนเริ่มต้นดูจิตใจเห็นแต่ไม่เที่ยงไม่เที่ยงน ะ, ะเวลาที่มันจะตัดสินความรู้บางทีเห็นอนัตต า, าไม่ใช่ตัวเราเนี่ย อย่างฟังครูบาอาจารย์เล่าแต่ละองค์แต่และองค์นะทางเดินไม่เหมือนกันทางใครทางมันแต่สุดท้ายก็ต้องมีสติเหมือนกันนั่นแหละมันจะถอยเข้ามาสวนกระแสเข้ามาถึงจิตถึงใจบองค์พอถึงจิตถึงใจถึงธาตุรู้แล้วเห็นธาตุรู้ไม่เที่ยงมันผ่องใสแล้วมันก็มองได้มันมองได้มันก็ผ่องใสได้เห็นไม่เที่ยงนะปล่อยวางบางองค์ก็เห็นเป็นทุกข์ ตัวจิตผู้รู้แม้มันสว่างผ่องใสมีแต่ความสุขล้วนๆเลยนะดูไปดูไปฉับพลันมันกลายเป็นทุกข์ล้วนๆให้ดูทุกข์ทุกขทุกขไม่มีอะไรเหมือนนะโอ้จิตนี้ทุกข์ล้วนๆไม่ใช่จิตนี้สุขทุกข์บ้างสุขบ้างเนี่ยแล้วปล่อยวางนะบางคนก็โอ้จิตนี้ไม่ใช่เราเราก็ว่างทิ้งเลยแต่ละคนไม่เหมือนกันหรอกเห็นนั่นใดอันหนึ่งแต่รวมท้ายก็โนภความก็คือปล่อยวางได้ ฝึกจนปล่อยวางได้ไม่ใช่ฝึกจนบังคับได้บังคับไม่ได้หรอกมันของเป็นอนัตตาแต่เข้าใจความจริงเราคอยปฏิบัติธรรมรู้กายรู้ใจเพื่อให้เข้าใจความจริงค่ะคําว่าความจริงเข้าใจความจริงคือเกิดปัญญานะั่นเข้าใจความจริงกายนี้ใจนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราเราก็วางพอวางได้ก็พ้นทุกข์ได้พ้นทุกข์เพราะปล่อยวางเอาบิ๊กเป็นไงบิ๊ก ยังเดินจงกรมไหมจิตคราวนี้กับเขาก่อนต่างกันยังไงเออข้านี้แย่กว่าข้าก่อนแตนะ่รู้ทั น, นแบบนี้ดีแล้วไปเดินขบวนเยอะละมัง้งอ่าตามข่าวกราร เ, เ, เมืองมากๆก็เป็นโลกนี้แหละเป็นทุกคนฮนะเป็นโลกโทสะกําเริบนะดูแล้วเกิดโทสนะ อ, อโทสะทุกฝ่ายเลยนะ ฝ่ายที่ต่อต้านก็มีโทสะฝ่ายสนับสนุนก็มีโทสะนะน่าสงสารมากคุณแตมเป็นไงประครองไหมตอนนี้ยังประครองอยู่ประครองอยู่นิดหนึ่งเอาดาวเป็นไงอะไรนะอ้าสับสุกใช้ได้สอบผ่านนะ่ะจิตไม่ดีรู้ว่าไม่ดีสอบผานนะ สำนักหลวงพ่อไม่เหมือนที่อื่นนะที่อื่นต้องดีถึงจะผ่านของหลวงพ่อไม่ดีรู้ว่าไม่ดีสับผ่านและมันไม่จำเป็นต้องดีหรอกดีมันก็ไม่เที่ยงแต่ว่าอย่าชั่วก็แล้วกันนะคุณเดชใช่ไหม มันต้องคิดทั้งวันนะจิตมีหน้าที่รู้สึกนึกคิดมิฉนั้นไม่ได้ฝึกให้จิตไม่คิดเราไม่ได้ฝึกให้ตัวเองกลายเป็นต้นไม้และก้อนหินเพราะฉะนั้นจิตรู้สึกนึกคิดไปรู้ไปด้วยตรงที่รู้ไงอย่างเราหลงหลงไปคิดพอรู้ทานนะจิตจะตื่นขึ้นมามีความสุขแผ่วๆ่วยขึ้นมานะ ไม่ใช่ไม่ใช่จัดการได้แล้วดีใจนั่นอย่างโลกโลกแล้วนะเกลียดสมมติเกลียดนายกจัดการได้แล้วดีใจไม่ใช่กรรมฐ า, านนะ่งอย่างนั้นคนละเรื่องกันเลยนะจัดการได้ไม่ได้ไไดนะมันจัดการไม่ได้เ <c oughs> อาคุณจัตทรพนเป็นไงอะไรนะเออดีสนใจมีความสนใจคือมีฉันทะ มีฉันทะ ว, วิริยะเกิดเองขยันดนะูจิตใจก็ตั้งมั่นจดจ่อเรียกมีจิตตะนะวันวันไม่คิดเรื่องอื่นนะไม่คิดเรื่อง ก, การเมืองการเมืองอะไรสนใจศึกษาจิตใจตัวเองนะเป็นวิมังสาไข้ขรวนะมีฉันทาวิริยะจิตตะวิมังสาเรียกประสบความสําเร็จง่ายเรียกวมีอิทธิบาทสี่ทำให้สําเร็จดีละดีลจนนะจันจุน่ะจันจุนจันจุนเป็นไงบ้าง มันเป็นอะไรประคองนะ อ, งอ่าดีๆมันมีสามารถนะเผลอไปรู้ทันแล้วก็ประคองไว้พอเผลอไปแล้วก็มารู้ทันอีกก็ประคองอีกนะไปรู้เรื่อยๆจิ๊บหนีไปละรู้สึกไหมจิ๊บหนีไปละฮะสองพี่น้องส่งกันบ้านไปดูนะ ดูไปเรื่อยมันยังเกินธรรมดานิดหนึ่งดูออกไหมเราจงใจประคองไว้นิดหนึ่ ง, ง, ใใะงนะก็้าพาแล้วกลไปก็ดูรู้ได้เร็ข<อ>ึ้นันรู้ว่าฝันนะเออดีต้องกองหาข้อกระติ้งขีดขึ้เรื่อยไม่ใจมันเบาแล้วเบาแล้ก็เบาเดีแล้วที่เดินอยู่ตอนนี้ใช้ได้แ <raised> ล้วจิตเดินอยู่อย่างนี้ถูกต้องแล้ว คุณเหียดกล้องใช่ไหมอย่าไปประคองไว้ยังประคองอยู่หน่อยเป็นไ ง, อง เ, เออรู้ไปเรือ่อยนีม่มันเกล็งนิดนึงดูออกนะนี่สันน้เป็นไงตอนที่ยังไม่ได้มาอยู่ต่อหน้าหลวงพอก็ปล่อยไปตามสบายค่ะมันก็รู้ของมันเองบางที อ่าดีที่รู้ใช้ได้ละคนนี้ล่ะมันไม่รู้สึกตัวใจมันปรุงแต่งไปความฝันนะั้นมันก็คือความคิดตอนที่เรานอนหลับส่วนความคิดนะก็คือความฝันตอนที่เราตื่นเพราะฉะนั้นเราตื่นแต่ตัวใจเราอย่างฝันอยู่ แต่เรายัางคิดอยู่ยังฝันไปเรื่อยเราลืมตัวเองนะเราไม่ตื่นจริงเราต้องค่อยๆฝึกไปเรื่อยจนวันหนึ่งเราตื่นทั้งกายตื่นทั้งใจในโลกนี้มีแต่คนตื่นแต่กายใจไม่ยอมตื่นใจจะไปหลงอยู่ในความคิดทั้งวันเลยวิธีที่จะทำให้ใจตื่นขึ้นมานะก็คือรู้ทันว่ามันหลงไปคิดแล้วอย่างตอนนี้มันหลงไปคิดแล้วทราบไหมเนีแค่รู้ทันก็จะตื่นแตไม่ตื่นได้แว บ, บเดียวนะแั้ก็จะหลงใหม่ ถ้าไม่ไปหลงไปคิดใหม่ก็ไปปรับผองไว้มีสองอย่างเนี่ยตอนนี้ยกลับมาบังคับตัวเองแล้วทราบไหมเนี่ยมันจะเบี่ยงอย่างเนี้ยนะไม่หลงไปก็มาบังคับไวเออดีเออไม่ต้องพยายามนะไม่ต้องพยายามนะดูไปได้วยได้ได้ไม่แน่ใจ รู้ดีขึ้นเยอะแต่ว่ายัางประคองไว้นิดหนึ่งนะรู้สึกไหมตอนเนี้ยมันเกร็งอะ่ะอ <Okay. S 1> ให้รู้ทันนะมาอยู่ใกล้หลวงพ่อแล้วมันเกร็งโรคนี้ระบาดเหมือน <Okay. S 1> เหมือนกัน <Okay. S 1> เออนะเกร็งรู้ว่าเกร็กงคนนูนเคยมาเรียนไหม <Okay. S 1> เ, เคยฝึกมาแบบไหนดูท้องคองยุบเปล่าหรือยังไงเคยฝึกไหมฝ <Okay. S 1> ึกมายังไงล่ะ แล้วรู้ลมหายใจรู้ไปเรื่อยนะการรู้ลมหายใจทำได้หลายแบบพวกหนึ่งนั่งหายใจนะแล้วก็เคลิมงองแงงองแงพวกนี้ไม่ได้เรื่องเลยนะเช่นนั่งหายใจไปแล้วเปิดเทปไปด้วยนะแล้วก็เคลิมลืมตัวไปนะพอเทปหมดม้วนตื่นขึ้นมาโอ้สดชื่นวันนี้ภาวนาดีนะอย่างนี้ใช้ไม่ได้เลยขาดสตินะอย่างที่สองนั่งหายใจไปแล้วก็ใจเราไหลไปเกาะนิ่งๆอยู่กับลมหายใจนะอย่างนี้เป็นสมถะใจไปเกาะไว้นิ่งๆ หายใจอีกอย่างหนึ่งหายใจเพื่อให้เกิดสติหายใจแล้วหัดรู้สภาวะไปนะเช่นเราหายใจไปจิตเราหนีไปิกชิดก็รู้จิตเราไปเพ่งที่ลมหายใจก็รู้จิตเป็นสุขเป็นทุกข์จิตเกิดกุศลอกุศลคอยรู้เนี่ยหัดรู้สภาวะไปหายใจเป็นแบ็กกราวน์เท่านั้นเป็นพื้นฐานแต่เรารู้สภาวะไปเรื่อยๆอย่างนี้พอจิตจำสภาวะได้ต่อไปสติจะเกิดเองนะหายใจอีกแบบหนึ่งก็คือหายใจแล้วเดินวิปัสสนารู้กายไปเลยนะ ก็คือเห็นเลยตอนนั่งหายใจอยู่เนี่ยเห็นเลยร่างกายที่กําลังหายใจไม่ใช่ตัวเราหรอกนะเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุนะกายนี้เป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุมีธาตุไหลเข้าไปคือหายใจเข้าไปมีธาตุไหลออกมานะมีธาตุที่เปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆหายใจเข้าหายใจออกเห็นร่างกายเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุหายใจอยู่อย่างเนี้ยนี้เรียกว่าหายใจไปแล้วเจริญปัญญารู้กายไปหรือถ้าจะหายใจแล้วเตรียมไปรู้จิตก็คือหายใจให้เกิดสติ หายใจไปแล้วจิตเป็นยังไงคอยรู้ไปเรื่อยๆต่อไปพอจิตเคลื่อนไหวนิดเดียวนะสติจะเกิดเองนะจะเข้าไปดูจิตในชีวิตประจําวันได้การปฏิบัติไม่ว่าใครทำมาแนวไหนเนี่ยต้องพยายามฝึกจนสามารถเจริญสติในชีวิตประจําวันได้นะถ้าเราทําได้เฉพาะตอนนั่งสมาธิหรือตอนเข้าคอร์สนี่น้อยเกินไปเพราะวั น, ว, นวันหนึ่งเนี่ยเราใช้ชีวิตอยู่กับโลกธรรมดาอย่างนี้เยอะนะเวลาส่วนใหญ่เราอยู่กับโลกธรรมดานี่เอง แล้วเราต้องเจริญสติในชีวิตประจำวันให้ได้ก็คือทำยังไงสติจะเกิดได้ทั้งวันเกิดได้บ่อยๆหัดรู้สภาวะไปแล้วสติจะเกิดบ่อยทุกวันนะไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิเดินจงกรมเคยปฏิบัติยังไงก็ปฏิบัติไม่ละเลยการทำตามรูปแบบเป็นเครื่องช่วยทำให้จิตใจเราเข้มแข็งงั้นทุกวันเราก็ทาตามรูปแบบเคยดูท้องผ่องยุก็ดูไป ดูเพื่อให้เห็นสภาวะเช่นใจหนีไปก็รู้ใจไปเพ่งก็รู้ไม่ได้ไปดูนิ่งๆเพ่งๆไม่เฉยๆนะเคยทํำยังไงก็ทําไปแล้วก็หัดรู้สภาวะไปเรื่อยๆเคยพุโทโธก็พุโทโธไปรู้สภาวะไปพุโทโธแล้วจิตหนีไปก็รู้จิตเป็นยังไงก็รูนะ้ทุกวันพอเราฝึกซ้อมอย่างนี้นะวันละเล็กวันละน้อยวันละสิบนาทีก็อย่างดีนะไม่ต้องเยอะนะไม่ต้องสร้างสัจจะวันละหลายหลายชั่วโมงนะแต่ว่าทําทุกวันเป็นการคอนเซนเทรต ในการที่คอยรู้ทันสภาวะในใจเราวันละสิบนาทีก็ยังดีถึงเวลาเราก็ไหว้พระสวมดมนต์แล้วมารู้อยู่ที่ทวารใจอันเดียวไม่สนใจการกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายและให้คอยรู้อยู่ที่ใจอันเดียวคอยดูความเปลี่ยนแปลงของใจเดี๋ยวใจเผลอไปคิดเดี๋ยวใจไปเพ่งเดี๋ยวใจเป็นสุขเป็นทุกข์คอยรู้เรื่อยๆ ต่อไปพอเราฝึกอย่างนี้ชํานาญเนี่ยพอเรามาอยู่ในชีวิตประจำวันคราวนี้ใช้อายตะนะหกเลยใช้ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบเลยตากระทบเนี่ยความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นที่ใจเรารู้ทันเช่นเราเห็นเพื่อนเราเดินมาดีใจนะรู้ทันว่าใจมันดีใจแล้เห็นศัตรูเดินมาเกลียดความเกลียดผุดขึ้นมาสติรู้แล้วว่าความเกลียดผุดขึ้นมาทําไมมันรู้ได้เพราะเราเคยหัดดูมาเราเคยหัดดูมาแล้วเช่นหัดหายใจหรือดูท้องของยุบแล้วก็รู้ทันใจของตัวเองรู้ทันสภาวะ อจิตจำสภาวะได้แล้วต่อไปสติจะเกิดเองนะเห็นส่วนเห็นหมาบ้าวิ่งมานี้ความกลัวพุ่งขึ้นมารู้ว่ากลัวนะแล้วก็หาทางหนีนะไม่ใช่กลัวแล้วอุเบกขานะไม่ฉลาดกลัวแล้วให้หมากัดนะไม่ฉลาดนะก็ก็หลบหลีกไปหัดอย่างนี้แล้วเราจะสามารถจเจริญสติในชีวิตประจําวันไดนะ้ถ้าใครทําสติในชีวิตประจําวันได้นะการปฏิบัติจะรัดสั้นมากเลยเพราะว่ามันทําได้ทั้งวัน นะมีข้อยกเว้นสําหรับคนที่ทํางานที่ต้องใช้ความคิดนะพวกเราที่มาเรียนกับหลวงพ่อที่นี่ส่วนมากทํางานที่ต้องคิดในขณะที่เราทํางานที่คิดอย่างเราเรียนหนังสือหรือเราตั้งใจคิดเรื่องงานเนี่ยเราจเจริญสติไม่ได้นะเพราะธรรมชาติของจิตรู้อารมณ์ได้ครั้งละอย่างเดียวเมื่อมันไปรู้เรื่องงานไปรู้เรื่องที่คิดแล้วมันรู้กายรู้ใจไม่ได้ น, นี่เป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องปกตินะแต่ถ้าเราเคยหัดดูสภาวะมาชํานาญ ดนะอย่างเราทำงานไปทำงานไปมีโทรศัพท์กลิ้งมากวนเราเราอยากรีบทำงานโทรศัพท์มากวนเราโมโหลละวนะสติจะระลึกเองว่าอ๋อโมโหละนะมันจะระลึกขึ้นมาได้เองเลยคนะวามโมโหจะขาดสะบั้นไปตรงนั้นเลยนะหรือเราทำงานไปนะไปพรีเซนต์งานคนชมนะใจเราพองเลยสติรู้เลยว่าใจพอง งั้นเวลาที่ทํางานเนี่ยต้องตั้งใจคิดเรื่องงานไม่ใช่เวลาเจริญสตินะแต่เพราะถ้ากิเลสเกิดหรือสิ่งแ ป, ปรปลอมอะไรเกิดขึ้นมาสติจะเกิดขึ้นมาเองนี่เรียกว่าเราสามารถฝึกอยู่ในชีวิตประจําวันได้หลวงพ่อไม่ได้ฝึกอะไรยากเลยนะฝึกสมัยก่อนไปหาหลวงปู่ดูลยิบสามคุมพาสองห้าไปหาหลวงปู่ดูลนั้นะสอนบอกให้ดูจิตตัวเองกลับมารับราชการนะก็ดูจิตตัวเองนะดูตั้งแต่ตื่นนอนเลย วันนี้ตื่นนอนนึกได้ว่าวันนี้วันจันทร์ใจแห้งแล้งรู้ว่าใจแห้งแล้งวันนี้ตื่นมานึกได้ว่าวันศุกร์นะใจสดชื่นเลยรู้ว่าสดชื่นนึกได้ว่าวันนี้หัวหน้ากองไม่มาด้วยสดชื่นสองเท่านี่รู้ไปไปอาบน้ํามมติว่หน้าหนาวเห็นตุ่มน้ําในใจสยองรู้ว่าสยองเห็นไหมไม่ใช่เห็นตุ่มน้ําก็สักแต่ว่าเห็นนะทําใจทื่อๆไม่ใช่นะอย่าไปแกล้งทําใจให้ทื่อๆ ปล่อยให้จิตใจมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติของมันเห็นร่างกายมันทำงานไปเห็นจิตใจมันทำงานไปค่อยรู้คอยเข้าใจไปกายนี้ไม่ใช่ตัวเราเป็นรูปธรรมอันหนึง่งจิตไม่ใช่ตัวเราเป็นนามธรรมอันหนึ่งกายนี้เป็นรูปธรรมที่มีความทุกข์บีบคั้นตลอดเวลาทุกข์มากกับทุกข์น้อยกายนี้เป็นรูปธรรมอันนึงไม่ใช่ตัวเราเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุจิตนี้เป็นนามธรรมที่ไม่เที่ยงเปลี่ยนเร็ว นะเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนีย่คอยดูไปเรื่อยจิตเป็นของบังคับไม่ได้เลือกไม่ได้นะจะสุขจะทุกข์จะดีจะร้ายเลือกไม่ได้จิตจะวิ่งไปทางตาไปทางหูไปทางใจก็เลือกไม่ได้นะเลือกไม่ได้สั่งไม่ได้บังคับไม่ได้นี่คือคำว่านัตตนั่นเองรู้ลงไปหนะ้าสติราึกรู้สภาวะนะปัญญาก็รู้ลักษณะไปรู้ความเป็นไตรลักษณ์ไปใครฟังหลวงพ่อไม่รู้เรื่อง กลุ้มใจรู้ว่ากลุ้มใจใช้ได้แล้วนะอะง่ายขนาดนี้เนะี่ยฟังรู้เรื่องแล้วดีใจโอ๊ยมีความสุขปลื้มแล้วไม่รู้ว่ากําลังปลื้มอยู่ใช้ไม่ได้เลยนะใช้ไม่ได้บางคนมาเรียนกับหลวงพ่อนะมาแล้วตาลอยมีความสุขถามกี่ครั้งกี่ครั้งมีความสุขสุขหลายๆทีต้องพุ่มออกจะสุขอะไรนักหนา ในโลกนี้มันจะหาความสุขอะไรนักหนาไม่ใช่ของจริงความทุกข์ต่หากของจริงแต่รู้ทุกข์แล้วจิตใจวางนะแล้วมีความสุขที่สุดเลยแล้วมันประหลาดมากนะอยากได้ความสุขต่กายหาความสุขนะหาทั้งชาติไม่ได้นะเอแต่พอรู้ว่ากายนี้ใจนี้ทุกข์ล้วนๆวางไปได้ก็มีความสุขที่อัศจรรย์ที่สุดเลยความสุขคงที่เลยทั้งวันทั้งคืนมีแต่ความสุขล้วนๆเลย เอาใครจะส่งกันบ้านอีกเชิญมาเยอะนะดูไม่ทั่วถึงหรอกมีไหมมีไหมอ้าวโยโยเป็นไงรอบนี้ดีเอดีก็ดีสิจะไม่ต้นหน้าจะดีนะนี่พูดแบบนักการเมืองพูดแบบนักการทูต น, นักการทูตครานี้ดีเหมือนกับเริ่มหัดใหม่ทุกวันนั่นแหละดีแล้วะหัดใหม่ทุกวันนะถูกต้องแล้ว ถ้ารู้สึกว่ามีหลายขั้นหลายตอนนะการปฏิบัติมีเป็นขั้นขั้นอุ้ยวันนี้มาถึงขั้นนี้แล้วเข้าใจผิดแล้วที่จริงหัดใหม่ทุกวันนั่นแหละคือสติจะเกิดหรือไม่เกิดอ่ะแต่ละวันมีแค่นี้เองสติเกิดแล้วก็ใจตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวจิตใจตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวปัญญามันก็เกิดเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจฉนะนั้นมีสติขึ้นมา รู้สภาวะไปแล้วสติเกิดเองโยรู้สึกไหมช่วงนี้สติเกิดเอง <Yeah. S 1> เออนั่นแหละสติเกิดเองแล้สติตัวจริงสติกแกล้งทําให้เกิดนะของปลอมจะหนักหนักแน่นแน่นแข็งแข็งซึมซึ ม, ซมทื่อๆของปลอมะจิตที่หนักที่แน่นที่แข็งที่ซึมที่ทื่อมันอกุศลจิตจิตที่เป็นมหาอกุศลจิตมันเบามันอ่อนโยนนุ่มนวลคล่องแคล่วว่องไวไม่หนักไม่แน่นพอสติเกิดขึ้นมารู้สึกไหมจิตใจตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัว โยรู้สึกไหมช่วงนี้จิตอยู่กับเนื้อกับตัวจิตตั้งมั่นนั่นแหะคือตัวสัมมาสมาธินะทำไมจิตถึงตั้งมั่นอยู่กับตัวเองเพราะทันทีที่สติเกิดจิตเป็นกุศลทันทีที่จิตเป็นกุศลจิตจะมีความสุขนะเพราะจิตที่เป็นกุศลนี่มีเวทนาสองงานหนึ่งโสมนัสเบิกบานใจนะตรงอุเบกขาเป็นกลางมีความสุขสองงานนี้อยู่ในกลุ่มของความสุขความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิ พอจิตใจมันมีความสุขที่ได้รู้กายรู้ใจจิตใจมันจะตั้งมั่นอยู่ในการรู้กายรู้ใจตัวเองไม่วอกแวกหนีไปที่อื่นสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาพะจิตใจมันอยู่กับตัวเองมากเข้ามากเข้ามันก็เห็นความจริงของกายของใจะโอ้กายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราเป็นทุกข์ไม่เที่ยงเป็นทุกข์บังคับไม่ได้ไม่ใช่เรามันจะวางวิมุตติก็เกิดขึ้นมางั้นหลุดพ้นเพราะว่าปัญญามันแจ้ง ตัวศาสนาพุทธแท้ๆก็คือตัวสัมาทิฏฐินี่เองนตัวปัญญาสัมมาทิฏฐินี่รู้ความจริงของกายของใจระหว่างยศสติต้องเกิดเองนะตอนนี้โยสติเกิดเองใช้ได้นะแต่ก็เสื่อมได้นะเพราะยังเป็นโลกียธรรมอยู่สมพงษ์ไม่มาเลยอวันนี้นนเหลอสมพงษ์อยู่ไหนไหนสแสดงตัวหน่อยโอ้อยู่นู่นเลยเอ้าวส่งกันบ้าน กิลส เ, เยอะรู้ไหมดีแล้วให้มันเยอะไปนะคุณยาวเป็นไงคุณยาว ดีแล้วนะจิต ท, ที่เดินอยู่ช่วงนี้ใช่ได้แล้วนะรู้สึกไหมสติมันค่อยเกิดเองแล้วนะใช่รู้ลงปัจจุบันไปเรืนะ่อยอะ คือการที่เราเอาสติแนบลงไปที่เท้าเรียกว่าอารัมมณูปนิชฌานการเข่งตัวอารมณ์สิ่งที่ได้มีสติจริงนะแต่จะได้สมัมปทาคำว่าสติปัฏฐา น, นมีตำราสอนบอกว่าหมายถึงสติเข้าไปตั้งไว้ในอารมณ์ตรงนี้ที่ทำให้หลายคนคลาดเคลื่อนคิดว่าจะเอาสติเข้าไปแช่อยู่ที่อารมณ์ถ้าเอาสติไปแช่ไว้ในอารมณ์นะมันจะเกิดอารมณ์นั้นซ้ํากความรู้สึกจะคงที่อยู่นาน มีมีจิตอยู่ชนิดเดียวที่เกิดซ้ำซากได้คือฌานจิตนั่นเองนะงั้นคําว่าสติสติเป็นเครื่องระลึกสติไม่ใช่เครื่องกําหนดไม่ใช่เครื่องแช่นะสติเป็นเครื่องระลึกมีความไม่เลื่อนลอยเป็นลักษณะนี้ตรงคําว่าไม่เลื่อนลอยในยหลายคนเลยคิดว่าต้องไปตรึงไวนะ้คิดว่าจะต้องตรึงสติให้อยู่กับที่อันนั้นเข้าใจผิดแล้วอนะ่สติมีหน้าที่ ร, ระลึกเท่านั้นเองไม่เลื่อนลอยคือไม่ลืมตัวเองนั่นแหละไม่ลืมกายไม่ลืมใจหลงไปสู่อารมณ์บัญญัติ สามารถรู้กายรู้ใจได้แต่ไม่ใช่ไปเพ่งกายเพ่งใจการเพ่งกายเพ่งใจเพ่งตัวอารมณ์นะไม่ใช่การรู้ลักษณะมันได้แต่สมถะพอเดินไปเรื่อยตัวจะเบาแนละ้วตัวจะลอยตัวจะเบาก็คิดว่าได้มีปัสสนาญาณ น, นะญาณไม่ใช่อาการทางกายเลยญาณเป็นเรื่องของปัญญาล้วนๆเลยดีนะคุณยาททำได้ดีแล้วดีนะ ดีละดูไปนะหลายคนชอบเอาจิตเข้าไปแชนะ่ขยับมือก็อาจิตไปเพ่งไม่ในมือนะขยับดูท้องของยุบไปเพ่งท้องรู้อริยาบถสี่เพ่งมันทั้งตัวเลยเพ่งได้นะไม่ใช่เพ่งไม่ไดนะ้บางคนคิดว่าถ้ารู้อารมณ์สติปัฏฐานแล้วก็ต้องเป็นวิปัสนาไม่จําเป็นเลยนะมันอยู่ที่ลักษณะของการรู้นะครับนะถ้ารู้รูปรู้นามโดยการไปเพ่งมันอนะเพ่งตัวอารมณ์นะยังไงก็เป็นสมถะ ในตำรามีนะนี่อยู่ในตำรานักธรรมเอกสอนไว้บอกว่าทำส ต, ติปัฏฐานเนี่ยถ้ายังไม่เห็นใจรักนะยังไม่ขึ้นมีปัสสนาหรอกได้แต่สมถะส่วนใหญ่นะก็แค่ไปเพ่งเอาเพ่งใจก็จะนิ่งพอนิ่งนานๆก็คิดว่ากูเก่งแล้วกูบังคับได้อาใครจะส่งกันบ้านอีกเชิญอ่ะชิมใช่ไหมว่าไง เอาอูน า, ามารามาเมื่อไหร่อชิมส่งกันบ้านกระโดดลงม า, า, าไปาาาาไาดึงเหมือนป่ะเออไม่ดึงนะให้รู้เฉยๆเข้าไปเกาะอยู่ข้างในรู้ทันมันไม่ก็คคลายออกมาแต่ถ้าจงใจดึงอย่าเครียด จ, จะเหนื่อยนะ ให้รู้ตามที่มันเป็นรู้กายรู้ใจนะรู้ตัวสภาวะตาที่เขาเป็นไม่ใช่เข้าไปแทรกแตงนะรู้ซื่อๆ อ, อย่างจิตเราไหลเข้าไปเกาะ อ, อยู่ข้างในเราก็รู้ทันนะจิตเคลื่อนออกมาเราก็รู้ทันนจะเห็นเลยจิตมันทํางานของมันเองไม่ใช่ตัวเราคุณธรรมราเป็นไงบ้างโอ้ดีนะดีดูไปอย่าไปช่วยมันแต่งนะะ นักปฏิบัติมีหน้าที่รู้ทันความปรุงแตง่งไม่แช่ไปช่วยมันแตง่งซะเองแะเช่นะจิตไม่สงบแต่งให้สงบเนี่ยจิตไม่ดีแต่งให้ดีดีแล้วสงบแล้วแต่งการรักษารักษาไว้หรือแต่งการประคองแต่งการสร้างพบภายในแล้วเข้าไปอยู่ในนั้นนี่แต่งขึ้นมาได้หลายแบบหน้นาเป็นไงเมื่อไหร่มันจะรู้เนาะ ฮะเออมันดื้อนนะั้นมันดื้อเดี๋ยวหลวงพ่อให้เหรียญดื้อข้าราช ก, การเขามีนะเขามีเหรียญดื้อ น, นะอยู่จนหกสิบก็ให้เหรียญดื้อ <c oughs> ไม่เราดูไม่เป็นอย่างกิเลสเนี่ยถ้าสติตัวจริงเกิดนะกิเลสจะอยู่ไม่ได้กิเลสจะมีไม่ได้เลยนะถ้าสติตัวจริงเกิด อย่าสเช่นเราขับรถอยู่คนฝันหน้าเราโกรธนะพอเราไปดูมันนะพอดูปุ๊บอยากหายโกรธเนี่ยอยากหายโกรธเนี่ยเรามีโทสะอีกตัวหนึ่งซ่อนอยู่ข้างในนะเพราะฉะนั้นจิตในขณะนั้นไม่ได้มีสตินะแต่จิตกำลังมีโทสะคือโกรธไอความโกรธตัวแรกนะหรือจิตมีราคะขึ้นมาพอ เ, เห็นปุ๊บไม่ชอบมันเลยมีโทสะต่อราคะตัวนี้ละเพราะฉะนั้นจิตที่เป็นปัจจุบันตัวนั้นไม่มีสติยรอกแต่มีกิเลสอยู่ แต่บางครั้งพอไปดูวัดขาดวัดขาดวับขาดวั ด, ว ด, วดวเลยนะเนียสติจริงๆมันเกิดแจมเป็นกลางนะแจ่มจะเป็นกลางกลางหนูๆๆนาเอ้ไม่ใช่นกน ก, นอกเออแล้ววันนี้เห็นมัวไหมอ่าตับถูกใช้ได้แล้วนะนเออดีอ่ะผู้นี้ เออดีที่รู้นะนักปฏิบัติเกือบร้อยละร้อยคือนักเพ่งนะกระทั่งคนที่บอกจะทำมิปัสสนาร้วนๆ่นะก็ชอบเพ่งถ้าไปเพ่งมือเพ่งเท้าเพ่งช้องเพ่งกายทั้งกายเพ่งมันหมดแหละเจออะไรก็เพ่ง ดูนะถ้าใจมันคิดไม่ดีรู้ทันมันนะขาดไม่ขาดเองนะใจจะเบิกบานสบายเบาๆนะถ้าเราไปจงใจตัดมันนะจะคลียดเครียดนะจิตมันเป็นอกุศลมันคลียดเครียดขึ้นมาไหนมีใครจะส่งกันบ้านอีกเชิญเชิญมีไหมหรือว่าพอแล้วข้างหลังมีใครคุยอะไรบ้างไหมคุณผู้ชายนั้นเสื้อขา ว, ขาวนะ กำลังใจลอยทราบไหมใช่เนี่ยนะใจมันเผลอเนียหัดรู้สภาวะนะมาเรียนกับหลวงพ่อไม่ได้เรียนอู่นอื่นหรอกเรียนเรื่องสภาวะมีอาจารย์อภิธรรมท่านหนึ่งสอนดีนะหลวงพ่อชอบการสุจินสุจินบริหารวันักเกตสอนดอีอย่าเพิ่งรีบปฏิบัตินะเรียนให้รู้เรื่องก่อนแต่เรื่องที่ต้องเรียนคือเรื่องสภาวะ น, ะนั่นเองถ้าเรียนตำราที่ทําก็จะเรียนสภาวะเจ็ดสิบสองอย่างเรารู้สึกเยอะนะ เราไม่ต้องเรียนก็ได้เราเรียนจากของจริงเช่นใจเราเผลอไปก็รู้ใจเราโลภใจเราโกรธใจเราหลงนะหัดรู้ไปเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งจะพบว่าเกิดเจ็ดสิบสองอีกเยอะเยอะมากเลยนั่นใจลอยไปแล้วทราบไหมคุณผู้ชายนั้นนะไม่บังคับเขานะให้ตามรู้ไม่ใช่ให้บังคับดูอย่างคนวงนอกดูแล้วเห็นเลยนามธรรมามันทํางานไปใจเราเป็นแค่คนดูดูไปเรื่อยๆ <c oughs> รู้สึกไหม นะอย่าจงใจทํานะรู้สึกรู้สึกสบายๆรู้สึกไปอาม่าเป็นไง <Okay. S 1> พุโทโธอยู่ไหม <Yeah. S 1> เออพุโทโธไปเรื่อยๆนะ <Yeah. S 1> พุโทโธแล้วหัดดูใจไปนะพุโทโธอย่างเดียวก็ได้สมถะได้ความสงบก็กยังดีดีกว่าไม่ได้เลยนะพอพุโทโธพุโทโธไปแต่ใจลอยไปคิดถึงลูกแล้วรู้ทันนะหนีทั้งวันนะเดี๋ยวก็คิดถึงลูกเดี๋ยวก็คิดถึงหลานนะลืมคิดถึงตัวเอง เรคิดถึงตัวเองก็น้อยใจใช่ไหมลูกไม่มาอนะไรเงี้ย <c oughs> คุณพัดเป็นไงใช่สิเพราะว่าเราต้องคิดตอนลืมตัวนะ <c oughs> เพราเผลอจิตมันก็ไปรู้อารมณ์ที่คิดไปรู้เรื่องราวที่คิดไปรู้อารมณ์ที่เป็นบัญญัติ <c oughs> ลืมกายลืมใจนั่นคุณผู้ชายนั้นลืมกายลืมใจแล้วรู้สึกไหม ใช่สิตนะในําราถึงบอกไงพี่ทำสอนวะ่าการที่จิตจําสภาวะธรรมได้แม่นยําเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสติเพราะอันที่เราไม่มักคุณก็คือเราจําไม่แม่นหรือเราไม่รู้จักจําไม่ได้สติก็ไม่เกิดถ้าไหนเห็นบ่อยๆก็จําได้แม่นจําได้แม่นสติก็เกิดบ่อยนะเพราะฉะนั้นเรื่องเบื้องต้นเราจะเห็นของหยาบๆก่อนเช่นเห็นโทสะโทสะเป็นของหยาบดูง่ายใครๆก็รู้จักโทสะ ขัดใจเล็กๆนี่เล็กชักดูยากขัดใจเล็กๆนี่ดูยากนะเช่นยกตัวอย่างสมมติว่าเรานั่งอยู่ในห้องเนี้ยเราเดินออกจากห้องเปิดประตูปั๊บหนึ่งแสงแดดกระทบเปลือกตาเนี่ยถ้าดูว่องไวนะจะเห็นเลยโทสะเกิดล้วลำคาญความลงคาญใจเกิดเราเดินเดินอยู่กลางแจ้งเห็นต้นไม้อยู่นั่นนะดีใจล้วความดีใจแวบเข้ามาแล้วนี่เราก็ค่อยดูเอา กิเลสหยาบๆก็ดูง่ายพอละเอียดก็ดูยากหน่อยแต่หันดูไปเรื่อยๆยังไงก็ดูได้กิเลสละเอียดที่สุดเลยตัวโมหะตัวหลงมันเป็นตัวรากเหง้าของกิเลสตัวอื่นแต่กิเลสที่เนียนที่สุดเลยนะคือตัววิช า, าวิชาความไม่รู้อริยสัจเราไม่รู้หรอกว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเรากายนี้ใจนี้เป็นตัวทุกข์กายนี้ใจนี้เป็นสมบัติของโลกไม่ใช่ตัวเรา เนี่ยพอเห็นว่ากายในี้ใจนี้เป็นตัวเรานะตัญหาก็เกิดอยากให้ตัวเรามีความสุขอยากให้ตัวเราพ้นทุกข์ก็เกิดการดิ้นรนยิ่งทุกข์มากขึ้นแต่ถ้าเรามีสติมีปัญญารู้กายรู้ใจรู้กายรู้ใจนะวันหนึ่งละความเห็นผิดไปนะแล้วก็สุดท้ายละความยึดถือกายยึดถือใจรู้เลยมันสมบัติของโลกคืนให้โลกไปจะเป็นอิสระนี่นกิเลสนี้หลายขั้นหลายตอนเราปฏิบัติ เหมือนธรรมะนะธรรมะลึกซึ้งอย่างเราเข้าใจบางอย่างเราเข้าใจขึ้นมาก็เรียกว่าเราก็เข้าใจธรรมะเหมือนกันแต่ธรรมะลึกซึ <ø> ้งเข้าใจเป็นขั้นขั้นไปอย่างแต่เดิมเราเห็นว่าเออทุกอย่างเกิดแล้วดับทุกอย่างเกิดแล้วดับก็เข้าใจถูกเหมือนกันสิ่งไหนเกิดสิ่งไหนก็ดับได้ก็เข้าใจถูกแต่มามีปัญญามากขึ้นอีกเราเห็นว่าถ้าใจเราตั้งมั่นอยู่นะไม่ค่อยทุกข์เท่าไหร่ถ้าใจไหลเข้าไปยึดอารมณ์ใจมีความอยากจะทุกข์มาก เนี่ยนี่ก็ถูกเหมือนกันแต่ไม่ถูกเต็มที่หรอกถ้าถูกเต็มที่เห็นเลยทั้งกายทั้งใจนี้ทุกล้วนล้วนนะมีแต่ทุกมากกับทุกน้อยทุกล้วนล้วนจะถือจะยอมปล่อยไม่ว่าเราเข้าใจอริยศาสตร์เต็มที่แล้วรู้ทุกแจ่มแจ้งนะสมุทยัยจะถูกละโดยอัตโนมัตินิโรธก็จะแจ้งขึ้นมายิบมีอะไรอีกไหมอย่าไปปักกองไว้นะ ปล่อยมันปล่อยให้มันทำงานไปแล้วคอยรู้ไปเนี่ยใจเราเลือนไปใจมันถลํมไปคิดแล้วก็รู้ทันมันมันเป็นยังไงก็รู้สภาวะอย่างที่มันเป็นไปเรื่อยๆดูความเปลี่ยนแปลงดูให้เห็นความเปลี่ยนแปลงไม่ใช่ดูเอานิ่งไม่ใช่ดูเอาความเที่ยงดูให้เห็นว่ามันของไม่เที่ยงมันเปลี่ยนตลอดดูให้เห็นความเป็นอนัตตามันทางานของมันเองเราบังคับมันไม่ได้ จิตจะสุขหรือจะทุกข์ก็เลือกไม่ได้นะจะดีหรือจะชั่วก็เลือกไม่ได้จิตจะไปเกิดทางตาเกิดทางหูหรือเกิดทางใจก็เลือกไม่ได้ ใ, ใจหนีไปคิดก็รู้ทันมันรู้ไปเรื่อยๆเอ่อยแจ้งขึ้นมาแล้วก็ปล่อยวางไปเอาวันนี้สมควรแก่เวลาเชิญโยมกลับบ้านได้ <c oughs> ใครไม่มีซีดีไม่มีหนังสือเชิญไปรับข้างหลัง อ้าอยู่ไหมอาอ๋าออาอะไรนะประครองเพราะว่าเรารู้ไม่ทันมันนะตอนนี้รู้ทันมันไม่ต้องไปแก้มันอย่าไปอยากแก้นะอยากแก้ก็ผิดอ่ะทำอยู่างที่ทํานี้แหละมันดูหล่อหลามจุกมและ ช่ไม่ได้จิตไ่จะต้องเปลี่ยนอะไริดจะไม่ม่ถูกหรอกอย่าไปกลัวว่าทาไม่ถูกเลยเพายังไงก็ไม่ถูกมันผิดแล้วรู้ผิดแล้วรู้ไปเรื่อแล้วมันถูกเองีเรารู้ได้ไัยังยั ง, ยงไม่ใว่าสติหัดดูไปก่อนไม่ใช่คืออยากรู้สติรู้ไม่ว่าอยากรู้นั่นแหละตัวที่เป็นรู้ทางตัวเองนั่นแหละเรียกว่าสติ เราถ้าเผือลักษณะาอาการคื อ, อนะคะที่เรารู้ปไปเรื่อยๆยังไม่รู้นะจิตโยมมันสติ ต, ตัวจริงยังไม่เกิดขึ้นมาออจิตโยมยังคิดอยู่ยังหลงอยู่ในโลกของความคิดตัวจริงยังไม่เกิดไม่ทำนะจิตมีโมหะให้รู้ว่ามีโมหะจิตเป็นยังไงให้รู้ว่าเป็นอย่างนั้น ไม่ใช่ฝึกไปทํามันให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีใครบังคับจิตได้จริงหรอกแต่ถ้ารู้ทันไปเรื่อยนะมันจะปล่อยวางไม่ใช่บังคับ อ, รรอย่าดึงนะอย่าดึงคืนไม่ดึงนะจิตที่มีโมหะคือว่ามันจิตมันหลงไปขณะนั้นจิตเป็นอกุศลขณะที่รู้ทันว่ามีโมหะนี่มีกุศลเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นจิตจะเกิดอกุศลตัวใหม่ เ, เช่นอยากดึงคืน อยากดึงคืนเนี่ยอกุศลเกิดแล้วให้รู้ทันว่าอยากดึงเนี่ยสติเกิดอีกแล้วได้กุศลอีกแล้วรู้ลงปัจจุบันไปเรื่อยๆแค่รู้ไปเรื่อยรู้ตามหลังไปเรื่อยๆตามติดติดไปเรื่อยไม่เป็นไรดีที่เห็นโมหะดูยากที่สุดเพะขอเสียงบอกที่ดีแล้วฮะขอเสียงบอกอะไรนะขอเสียงบอกค่ะเป็นไง บ, บ, บอกขีดขณะนี้ มัว่าจะทำยังไงต่อไปขออะไระเสียงบอกนะคะบอกทางนะคะเสียงอะไรใช้ท่อนบอกม่อ๋อแม่ใช้ภาษาแปลปงไปทั้งงงแม่าขอเสียงไๆหาเสียงเลือกตั้ ง, งอย่าไปบงังคับมันก็แล้วกั น, น, ะนะตอนนี้ปรับของไวน้นิดหนึ่ง น, นี่ใช้ได้ละถูก แ, แต่เรืเรื่ยหรืว่าเราเคยแบบว่าถิเขา ลงไปอยู่ในอาคุส น, นะคนะพอห ล, ลุดเลือดงหลอแล้วเนี่ยเขาขาสติมันมีใจที่เบิกมานันนชได้ันทีันนได้ได้ายไปโดยขับพ ล, ลังเออได้แล้วหลุดละอดลพ่อไหลนะคือจริงๆถ้าสติตัวจริงเกิด น, นะความทุกข์ทางใจจะมีไม่ได้ความทุกข์ทางใจเกิดตอนขาดสติสติเกิดห น, นอาคุสนับความทุกข์ดับกันที แต่ว่ามันดับชั่วคราวเพราะต้นเหตุยังอยู่ต้นเหตุของมันก็คือเรายังเห็นว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวเราให้ความริ้นรนยังจะมีอีกริ้นรนอีกก็ทุกอีกเดินบันไดปัญญาจแจ้งระ ว, ว่ังก็ล่กกล เออที่ทำอยู่ถูกแล้วนะจะทำอะไรเกินเกินมานะรู้ไปอย่างที่มันเป็นนักปฏิบัติชอบทำเกิน เราไปเราก็ทําของเราไปเจริญสติไปรูปแบบไม่สําคัญหรอกเขาเดินเราก็เดินแต่ว่าเราเดินมีสตนะิเขาเดินเพ่งเขาก็ได้สมสถามไปาเนี่ลําบากตรเนี้แก้ปัญหาได้กยงก็เลยไปอยู่ที่นั่นเพรนคือข้างนอกมันรุ่กว่ามันก็เลยมันกิไม่ได้นี่ดีแล้ว ดีแล้วดีแล้วนะดีละแล้วใจมันก็วางีแล้วรู้สึกตัวมาะคะแล้วงเ็มไมคะว่าจะต้องรู้ว่านี้ำอะไรไม่เต็มเป็นหรอเหลือไปแล้วก็รู้ว่าเมื่อกี้เหลือไปแค่นี้ก็พอละเพราะว่าบางคนเมื่อรู้ตัว้ว่าาอย่างไรจะต้องะไรมใจ่าอะไรก็ไ ด, รได้รู้ใจก็ได้รู้ใจก็ได้ จเป็นากรไม่จำเป็นนะะรู้กายก็ได้รู้ใจก็ได้มันรู้ได้ครั้งหนึอย่างเดียวถ้ามันไปรู้ใจมันก็ไม่รู้กายมันรู้กายมันก็ไม่รู้ใจมันเลือกไม่ได้ไหลวงพ่อจะ<อ><อ>ทำเวลาเกิดเวทนาทางกาย น, ใ น, ใ น, น ะ, ะเจ้าคะแล้เราก็จะไม่สบายใจมันก็อารมณจะหมองอะไรบางเวลาเราเกิดเวทนา อย่างนี้นี่เราเราจะรู้อะไรถ้ามันมันก็จะรู้สึกตัวเต็งไปหมดมจะจะให้รู้ที่เต็งเนี่ยนะกนะิเลดเกิด น, นะตัวเต็งนั่นแหละตัวโทรศัพท์ให้รู้ไปว่ากําลังเต็งอยู่เห็นความเตงเป็นสิ่งที่แตกปลอมการรู้เวทนาต้อ ง, ต, องต้องแยกนะ่างกายก็ส่วนหนะนึ่งเวทนาจิตเนแยกกันรู้สึกไหมร่างกายอันหนึง่งร่างกายไม่เจ็บป่วยนะความเจ็บป่วยเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาในกาย จิตก็ไม่ได้เจ็บป่วยจิตเป็นคนที่ไปรู้ความเจ็บเนี่ยแยกกันไปเรื่อยนะนะถ้าจิตเศร้าหมองก็เห็นีกความเศร้าหมองก็ไม่ใช่จิตอะไรอะไรก็ไม่ใช่จิตหรอกค่อยๆแยกไปเรื่อยแยกขันอยากคิดเยอะคิดมากยากนานนะรู้ลงปัจจุบันไปเรื่อยเร่อยง่ายมีเวลาที่ผมเดินนะครับจรู้สึกว่าความรู้สึกกาที่เดิน เออต้องอย่างงั้นลที่ดูไปต้องหตาเราเื่อไปมองจนมาใจมันไหลแวะปอยู่ไหนเออดีดกลับมาจำตอนที่กลับมาเนี่ยกายกับใจรูปภายนอกไร้น้ำหนักอไร้น้ำหนักไร้น้ำหนักหมดแต่ใจเรามีน้ำหนักไหมเบามากคือจริงๆเราไร้น้ำหนักนะข้างนอกก็ว่างเปล่าข้างในก็ว่างเปล่าชั่วขณะเดี๋ยวก็ปรุงใหม่ก็เกิดใหม่ก็มีน้ำหนักใหม่ ก็ดีแล้วดูแลบดีไปเรียนถาอาจารย์ที่วัตรอาจารย์สุรวัตรบกมเรียนถามาจารยดีแล้วดีแล้วทาถูกแล้วแล้วบางชอบมีเสียงภาพใหัวช่วยไม่ได้มันต้องภาคมันยังภาคคุ้นเคยที่จะภาคแต่อีกหน่อยไม่ภาคแต่นานนะกว่าจะเลิกภาคเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดสิเลตมนมากหรือเกินยาวลงกัน เราเราไม่ได้ใช้สติอย่างเดียวเริ่มต้นเลยมีศีลห้าไว้ก่อนเห็นไหมทําความสงบใจเข้ามาบ้างแล้วก็มาเจริญสัญญาเจริญสติเจริญปัญญาคอยคอยรู้ตัวเองไปเรียนรู้ตัวเองไปลําพังสมาธิอย่างเดียวก็ข่มไม่ช่วคราสติอันเดียวแหละพอแล้วให้มันมีเถอสตียากที่สุดเลยนะกว่าจะเกิดสติคนหนึ่งคนหนึ่งนะยากนะ อย่างคุณนุ่สติเขาเกิดแล้วไม่ไม่ใช่รู้ที่ร่างกายสติตัวจริงนะมันเกิดขึ้นเองเพราะเราไม่ได้จงใจว่าจะรู้กายหรือรู้ใจมันรู้กายก็ได้รู้ใจก็ได้อย่างตอนเนี้ลืมตัวเองแล้วรู้สึกไหมเมื่อไหร่ลืมตัวเองก็เรียกว่าขาดสติเมื่มอไหร่ไม่ลืมตัวเองก็เรียกว่ามีสติลืมตัวเองเอีกแล้วรู้สึกไหม นี่ยหัดรู้ตรงที่ลืมไปหัดรู้ตรงที่ผิดนะแล้วมันถูกเองถ้าเวลามีสติรูกายรู้ใาขึ้นมามันจะมาเพ่งสั่งหครเนใจคืออย่างนี้เวลาเราเผลอไปเนี่ยเป็นอกุศลเวลารู้ว่าเผลอเนี่ยตรงนี้มีสติเป็นกุศลแล้วถัดจากนั้นอกุศลตัวใหม่เกิดเรากลัวว่าจะหลงไปเราก็มาเพ่งไว้<ะ>นะก่อนไม่เป็นนะครับแต่ว่าเพิ่งมาเป็นสองสวันหลังหงเออ ให้รู้ทันแปว่าใจเป็นเพ่งใจเป็นของบังคับไม่ได้ไม่ได้ฝึกไม่ให้เพ่งนะไม่ต้องแก้ไต้องแก้ให้รู้นุ่มเดียวรู้ด้วยใจที่เป็นกลางใจไม่ชอบให้รู้ว่าไม่ชอบนะรู้ทุกอย่างด้วยใจที่เป็นกลางง่ายง่ายบาทีเถ๋เนี่ยจะรู้รู้ทันต่วเพ่งู่ไม่ทันไม่เป็นไรดูไปเท่าที่ดูได้เง้ยค่อยรู้ไป ทีแรกมันรู้อย่างเผลอไปมันเป็นอกุศลรู้ไวๆดีแล้วแต่เพ่งไม่ใช่อกุศลเพ่งไว้มีสมถะดีเหมือนกันแต่ดีแบบสมถะเพราะฉะนั้นไม่ต้องรีบร้อนอะไรมันไปนเพ่งรู้ว่าไปเพ่งแต่ถ้าเผลอนี่ไม่ดีเผลอเป็นอกุศลรู้ไวๆยิ่งดี จงใจทำกันแล้วกันก็ให้ร่างกายมันทําไปเราเป็นคนดูนั่นแหละสติรู้กายก็คือปล่อยให้เขาทจะให้ร่างกายทํางานแล้วเราคอยดูใช่เออสติรู้กายและกายยานุปัสสนา ในเหตุการณ์เคลื่อนไหวไปกู้เหยียดเลี้ยวซ้ายลายขวาไป ไ, ได้แล้วไม่ใช่ตัวเราทำสุกแล้วนะทำสุขแล้วอย่างที่ขั้นสอนเนี่ยผมจะรู้ช้ามากเลยยกตัวอย่างอย่างขับรถปาดหน้าเข้าไปป่านเขก่อดให้เราไม่ควรจะไม่คือเราเราบังคับให้สติเกิดไม่ได้แต่ว่ายังไม่มีแต่หน้าที่เราก็คือรู้ให้เร็วขึ้นเร็วขึ้น ถ้าจิตมันเคยรู้นะมันก็จะรู้เร็วขึ้นคอยดูสภาวะไป้รื่อๆนะๆซ้อมทุกวันนะเช่นหัดพุทโธหัดหายใจไปแล้วก็ซ้อมดูสภาวะไปหายใจไปแล้วจิตหนีไปก็รู้จิตเสร็จเพ่งก็รู้เช้นเวลาทำงานนี่จะไม่ได้ไม่ได้สิไม่นั่งประชุนอะไรแบบนี้ว่าเกิดอะไรขึ้นเลยที่เรามันมีอะไรแปลกปลอมแล้วก็ค่อยรู้มันรู้เองเช่นมันโมโหแล้ว<ม>ค่อยรู้ มันมืนก็บกดตัวมาเออวก็จิตมันก็เหยียดสายเปิกบาอก็ดูไปมันไม่ใช่ตัวเราหรอกมันทํางานของมันเองดูเพื่อตรงนี้นะไม่ใช่เพื่อให้มันเบิกบานดูให้เห็นเลยมันทํางานของมันทั้งวันทั้งคืนนะเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเอาแน่ไม่ได้ดูให้เห็นแค่นี้ถึงจะละสักกายที่จิได้ถ้าคิดว่าจะบังคับให้ได้นะมันจะทำสมถานานไปนานไปจะรู้สึกว่าจิตเป็นของบังคับได้ เห็นผิดสักคขบินเราไม่ได้บังคับจิตใจมันก็มันมาแล้วนั่นแหละรู้สึกไหมมันไม่ใช่ตัวเรามันทํางานได้เองนั่นแหละดีแล้วดูให้เห็นว่ามันทํางานได้เองนันไม่ใช่ตัวเรามีลูกสาวมาจากกุงเทพเด้อแต่ถ้าเวลาเรามองมองหักลับมาที่ตัวเราตัว่าเราเป็นเจ้า จะรู้แล้วเราก็จะดูที่ตรงนี้เป็นการโจรอยู่หรือเปล่านะหรือว่ า, า, าวทำหรือเปล่าถ้าเราโจรใจไปอยู่นี้ได้สมถะได้ความสงบกวค ว, นะควรทำก็ทําทก็ดีดีกว่าไม่ทำนะแต่ว่าในชีวิตประจําวันเนี่ยให้คอยรู้ทันใจตัวเองไหมเช่นคนนี้เขาชมเราใจเราพองเลยเรารู้คนนี้ว่าเราใจเราเดือดขึ้นมาแล้วเราไปรู้ไปดูใจส่วนจะเป็นจับนิ่งๆ น, นะได้แต่สมถะใจเฉยๆ ก็ดีว่าไม่มีเลยก็ <c oughs> มันจะเป็นบางครั้งที่ว่า จ, จับแล้วรู้สึกอย่างนี้จับลงไปแล้วรู้สึกเลยเออนี่เป็นวัตถุเป็นท่อนไม้ท่อนหนึ่งเป็นวัตถุอันหนึ่งเก็อย่างนี้ใช้ได้นะมีปัญญาเห็นว่ากายนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นก้อนธาตุจับดูแล้วก็มันเป็นก้อนแข็งๆอย่างนี้เรียกว่าการรู้ธาตุอย่างนี้ก็ใช้ได้แต่ไม่ให้ไม่ให้ไปอยู่อย่าไปแช่อย่าไ่แช่ไม่เกิดปัญญา ดู บ, บ่อยๆไง <c oughs> เราจะจำำําอมะได้เพราะเราเห็นอมะบ่อย <c oughs> เราอยากให้สติเกิดจําสภาวะได้ก็ต้องดูบ่อยๆกายานุปัสสนาแปลว่ารู้กายเนืองเนืองรู้บ่อยๆเห็นไหมจิตตานุปัสสนาดูจิตเนืองเนืองดูบ่อยๆให้รู้เท่าทันใช่ไหมคะรู้ไปอย่างที่มันเป็นไม่ใช่คิดเอานะ <c oughs> านยังไม่เลิกนิสัยช่างคิดมองไปปุ๊บรู้ว่า ไอ้คิดเนี่ยมันป็นจะบางใช่มันไม่จริงจังนะเป็นภาพลวงตาคิดๆนื่มันแล้วก็การเป็นทองยังไม่หมดเนาะดูไปอีก ก็เหมอนให้มาดึงกับางอ่าคิดว่าอิกม่าดูแล้วคิดว่าคุ้นชินนแต่ว่าคิดว่าอาจจะคิดเพราว่าที่บูรีให้ว่าเวลาเช่าดเนี่ยมันเหมว่ามันมีจัดไหไปเลยไม่้องมาดูมันจะเหมือนกับสร้างก็เหมืเหมือนไม่ดีอะไรที่ถึงมันเหมือนในใจเราคือแต่ว่าก็เห็นแล้วไม่ไม่ใช่ไนต่อเห็นจะจบรงแค่เห็นนั่นแหละ นะรู้แล้วจบลงแค่รู้เท่านะั้ไม่ใช่ทาอะไรต่อแต่ว่าจิตมันจะทําต่อของมันเองมันต่อไปอีกก็รู้ไปอีกเรื่องขับรถอยู่เนี่ยพอเราคิดไปเรารู้แล้วหลินแล้วมันกลับมาแล้วก็อย่าจงใจกลับมานะแค่รู้ว่าคิดไปแล้วแค่นั้นรู้สึกตัวเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าจงใจกลับมาเนี่ยลงครั้งใหม่นะ <c oughs> ไม่ได้ทําอะไรนั่งดูฝ่าใจมันจะหนีไปคิดห้ามมันไม่ได้ แเราดูเพื่อให้เห็นว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกมันทํางานของมันเองมันไม่ใช่ตัวเรามีสไหมว่าถ้าเราระหว่างขับรถไปแล้วเราคิดถึงความคิดในใจมันจะดับไปเลยแล้วก็มันก็คิดเรื่องใหม่เดี๋ยวมันก็คิดใหม่ไม่ใช่ไม่คิดนะไม่ได้ฝึกกันไม่คิดนะต้องคิดนะไงพวกฟันตอนนี้ตื่นตื่นขึ้นมาแล้วครับไม่หลับแล้วแล้วก็รู้สึกไม่ประคอง แต่ว่าอย่าตื่นเต้นรู้ไปตื่นเต้นต้องทําทอะไรดูไปเรื่อยๆื่า ง, ง่ายนั่นแหละดีให้คอยรู้ทานว่าใจหีไปแล้วใจเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนัไม่ใช่ดูเพื่อไม่ให้ไปนะดูแล้วใจหนีไปก็รู้ใจเปเพ่งอยู่ที่หลบก็รู้ใจเป็นยังไงก็รู้ นั่นแหละดี